เอยสังเกตเหตุการณสารมุสีทั้งหลายที่มันอยู่ในวัดของเราเนี่ยด้วยที่ไหนก็สั้งมาเถอะหลายศตวรรษที่ทำมามผมเคอยอบรมลูกศิษย์ตุกหามากมจนกลัวผลฉลาดบางอย่างกับพวกพระเมนลูกศิตย์ตุคหันผมจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟัง ให้สัญญาที่เข้ามาหาผมนี้บางคนก็อยากจะขอความธรรมเข้าเร็วๆผมมาแสดงเทศน์ให้ฟังครับผ ม, มปล่อยไว้จะเป็นมากจะเป็นเมญจะเป็นพระอาจารย์ตูกะหรือพระนวักะที่มาใหม่ผมปล่อยไว้เฉย ปล่อยไว้ไม่ไม่ไม่ได้นนสอนอะไรอย่างนี้วาละหนึ่งผมปล่อยไว้ประการที่สองนั่นเข้ามาตรงขี้เลยอันนั้นจะต้องทําอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้อื้เขารู้เรื่องแปลว่าเมื่อผลที่ได้รับแล้วสู้ คือปล่อยนี้ไม่ได้คือเราปล่อยไปตามธรรมชาติเลยคือมันเป็นธรรมชาติของจิตคิดในร่ายแรงอะไรในแต่พูดจะปล่อยจะเหรอปล่อยไ ป, ยปอยู่ไปะบางทีก็หลายเดือนอืแต่ว่าเราก็ต้องสะกดรอยอยู่สะกดรอยอยู่พระองค์นั่นอยู่เนรีองนั่นอยู่อุบาสกตนนั้นอยู่สะกดรอยคือไม่ปล่อย เมื่เราสะกัดรายตามผู้เรื่องตามเป็นจริงแล้วอืเราก็รู้จักอืมมันผิดตรงไหนมันเป็นอะไรแล้วก็ต้องรู้จักจะแก้ตรงไหนอะไรมันอย่างนี้แล้วก็ต้องรู้จักวันหลังในโอกาสดีๆก็เดิมาพูดให้ฟังพูดให้ฟังมันก็ถูกจุดมันได้ ถูกจดมันไม่เติเดียเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเราเห็นแล้วเน่ยแล้วก็ปล่อยตามธรรมดานี้ธรรมชาติปล่อยนี่เราเห็นชัดสอนเข้าใจกว่าดีกว่าฉลาดกว่านี่เคยได้อย่างนี้มากการที่สองนั้นก็เดี๋ยมาสอนที่จัดไปเลยนี่เลยคนน้อยทำไม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 อันนี้ทำได้แบบประตาศศาสนาโดยการจำโดยความจำไม่ค่อยประตาศศาสนาโดยความจริงสองจำพวกนี้ที่ซอยแล้ให้รู้อะไรอะไรหลายอย่างเนี่ยดูกลัวมากกลัวแนื่อนหนากว่า ถึงจะอยู่ไปนานๆก็มีหลักดีกว่าอะไรกว่าเ้็นไหมนัม่นเป็นของธรรมชาติมันอนี่ยโดยมากคนที่จะรู้จักเร็วเข้าไวแต่ว่ามันอารมณ์หลงอารมณ์ทั้งสองประการ น, นี้แหละืีนี้ทำไมเราถึงสอนอย่างนั้นเราทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นไม่ได้มาจากไหนเราได้มาจาก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 อยู่แล้วปล่อยไปถึงไหนแล้วก็ปล่อยมันไปฮะมันจะรักไปถึงไหนมันจะเปลียดไปถึงไหนนีเมื่อมันรักไปถึงสุดมันเนียวมันก็ตายเหมือนกันเมื่อมันเปลียดไปถึงที่สุด้วมัวก็ตายเหมือนกันเน่ทางรักในทางเกลียดเนี่ยมันมีราคาเท่าๆกันราคาอะไรมันราคามันเป็นเรื่องอนิจจงเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาไม่แน่นอนอย่างนั้น เป็นของไม่แน่นอนตรงนี้เราก็ได้ความรู้มาจากอันนี้เช่นว่าแม่อันฉ่ำอาหารอันนี้มันอร่อยมากเหลือเกินแต่เราไม่พูดนถ้าพูดตามเขาังไมอร่อยเหลือเกินนะนี่นะนี่ยมันต้องพูดตรงไปเลยเนะแบบนี้เราจะพบอาหารที่อดิตอร่อยสาเร็ถ้าไม่พูดอร่อยก็มันอร่อยไปเถอะมันจะไปถึงไหน ไม่อร่อยแล้วก็ไม่อร่อยแต่เธอไม่ต้องพูดมันนี่แลปล่อยมันไว้แต่เราจิตมารู้อยู่ว่าคำพูดออกมาว่าอร่อยนี้นะว่าอร่อยนี้มันเกิดมีเหตุมาแล้วมันจึงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าหากว่าเราไม่พูดว่าอร่อยนะมันก็อร่อยอยู่แล้ว ถ้าเรามาพูดว่าไม่อร่อยมันก็ไม่อร่อยอยู่แล้วที่เรามีคำพูดขึ้นมาที่หลังว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนี้เมื่อพูดตามความจริงแล้วน่ยมันมไม่มีความอดทนไม่มีความอดทนเนี่ยพูดตามตัว น, วนนะไม่มีความอดทนเนี่ยถ้าเรามามีความอดทน นะมันก็ยากที่จะรู้ความจริงเช่นว่าวันนี้ถูกอารมณ์จะเรมองเห็นจุดเดสนทิ ง, ง่ายๆเร็วๆมีปรากฏการสังวรสังรวมอยู่เ้ออยู่เห็นอยู่ mm hmm. พระพุทธเจ้าสอนพระอนุนว่าอา น, นุนทำให้มากจะเรนให้มากเชื่องให้มา ก, มากผู้ไรเห็นทำผู้นั่นเห็นเรา ผู้ไรเห็นเราผู้นั้นเห็นแต่ธาตุใครเห็นแต่ธาตุผู้นั้นเห็นปลิภานเข็มต้นนี่จะกอบอดทนฉะนั้นการปฏิบัติทุกสิ่งทุกตัวเนี่ยมีความอดทนเป็นแม่บททังนั้น<ม>ความวาอดทนมีหลักอะไรมากเช่นว่าเราโกรธเราพูดพุ่งไปเดียนนั้นก็ทะเลาะกันเดี๋ยนีน้ไม่เห็นประโยชน์ในการอดทนเสียดื้น ถ้าเราอดกันไะเห็น hmm. อ mm ันนั้นไม่รับอดไม่กันไปเท่านั้นเนี่ยเมื่อเราเรียนเจอขึ้นมาจิตใจเมื่อเรามันเห็นการอดทนเนี่ยมันก็รู้จักประโยชน์ในการอดทนเมื่อรู้จักประโยชน์รู้จักการอดทนเราก็รู้จักเหตเราก็รู้จักทุกเมื่อเรารู้จักทุกเราก็รู้จักเหตุของทุก เมื่อเรารูจะเกียรติของทุกเราก็ดูจากปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกคนเราที่ว่ามันไม่รู้นี่คือมันไม่รู้อะไรหลายอย่างจะ่รจับในปูกมันนะจะว่ามาพูดตามความจริงแต่คนมันไม่รู้อะไรไม่รู้จักทุกไม่รู้เกียรติของทุกเมื่อรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกนี่เองเท่านี้ ืซึ่งทำทั้งหลายเรานี่เกิดดับอยู่บ่อยๆในจิตของเจ้าของนี้อืมเมื่อมันทุกเกิดขึ้นมาโวายวายไปเลยใช่ไหมคำตอบว่าเป็นอะไรอะไรที่ตามชอบใจเราเนะ่ะแต่ว่าอาการนั้นมันเป็นเหตุให้ทุกเกิดเราคนนี้ทำเหตุอันนั้นให้มากก็คือเราไม่รู้จักทุกเมื่อมีทุกอยู่มันก็ไม่เห็นทุก ไม่เห็นทุกมันสงก็สันว่าปลาอยู่ในน้ํามันไม่เห็นน้ำแต่เดือนมันกินที่ดินอยู่ในในดินมันก็ไม่เห็นดินอย่างนี้นั้นรถยนต์เนี่ยตามันสว่างแค่มันไม่เห็นแต่ตัวรถยนต์มันจะเห็นมันมีมีความสว่างแต่เขาทำตาให้มันตารถยนต์มันมีแสงสว่างเกิดที่ตามันนั่น คนจริงรถยนต์มันไม่เห็นอะไรเลยมันจะมีประโยชน์เฉพาะคนนั่งรถยนต์เท่านั้นเสียงสว่างเกิดจากตารถยนต์รถยนต์ไม่ได้สว่างอะไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นคนผู้นั่งรถยนต์มีคือประโยชน์ได้เ ห, นห็นี่ก็เรียกว่าแสงสว่างเกิดจากตารถยนต์รถยนต์ไม่รู้เรื่คนอืน่นรู่เรื่ลักษณะแบบนี้มาก มันเป็นสายอย่างนี้มากไอสิ่งที่เรามีความรู้กันมากมากแต่ทําไมให้ทุกเกิดขึ้นมามันเสมือนรถยนต์เนี่ยเนี่มันมีฝากรว่างอยู่เมืนอใจมันไม่รู้จักให้มันมองไมเห็นนี่มองไม่เห็นอันนั้นเราคนมีความรู้มากๆเรียนฝ่ายโลกก็มากเรียนฝ่ายธรรมก็มากๆกแต่ทำไมนั่นไม่กำจัดทุกออกจากใจของเราได้ ก็เพราะมันไม่เห็นมันไม่เห็นอะไรมันไม่รู้อะไรมันไม่รู้ทุกข์ได้จะไม่รู้เหืุอย่างทุกข์เกิดดีได้ไม่รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ไม่รู้นี่คนเรามันทุ่งเกเหตุอย่างนี้มาถามปัญหาบ่อยๆคนนั้นทําไมเป็นมหาตานี้ทําไมสึก ไม่ถึกอย่างอยองก็ไที่ทำบาบาบอหลายอย่างทำมาที่อย่างเงี้ยโยมอืันมหานั่นมันเป็นชื่ออันนึ่งหรอกอืมในการเรียนมากแต่มันก็เป็นอย่างนึ่งนะอืมไอ้ที่มันเป็นจริงของมันมันไม่มากมันไม่น้อยไม่ใช่เรียนมากไม่ใช่เรียนน้อยเรีนพอเหมาะสมกับเพียกับผลของมันเท่านั้นมาปฏิบัติให้ที่ให้ถูกต้อง แต่ความเป็นจริงก็มันน้มขันหนึ่งเนี่ยน้ำมาขันขันหนึ่งเนี่ยอืมันจะเหลือขันนะแต่มันไม่เหมาะสมมันไม่พอดีลนเตื่นเตือนที่ว่ามันมาเติมขันนั้นมันก็ไม่เหมาะสมคือกันมันช่องอยู่เป็นนิดอมันมีอะไรประโยชน์เท่าที่ควร ถ้ามันได้ประโยชน์เท่าที่ควรนั้นมันก็เดียกว่าน้ํามันเตรมขันพอดีไม่ร่องแล้ว่าไม่เหลือพี่เรียกว่าน้ํานำกับพอดีกับขันขันกับพอดีกับน้ํานี่เป็นเหตุผลพอสมควรเอาคนเราที่เรียนรู้มากๆนั้นไม่ใช่รู้อันนั้นมันพาเราสำเร็จประโยชน์อะไรมาก ทั้งหลายนั้นเนะี่ยมันก็ยากแต่ว่ามันมยื่งนอกอรู้ที่ไหนก็ช่างมันเถอะที่ดียไหวความรู้ความรู้ให้ทุกเกิดขึ้นในใจของเราให้ทุกเผาผลาญใจของเราให้ใจเรากระสับกระส่ายให้ใจเราไม่สบายเป็นอาณาถาทั้งหลายเหล่านี้ในนับเนื่องการู้ในพุทธศาสนาน มันไปคนใดเวกันมันไปคนใดอย่างกันทำไมถ้องเป็นอย่างนั้นมันรู้ไหมรอบมันที่เป็นอย่างนั้นมันสุกในรอบมันรู้ในตั่วถึงอมมันรู้ในตัวถึงการเรียนรู้มานี้อยียกว่ามันก็ไม่ยากการจะเอาความรู้ไปทิ่งนั่นแหละมันลาบาก การหาเงินหาทองหาลาบหายศรัทธาพัฒอย่างมามันก็ยากแต่ว่ามันมายึ่งอ่มันยากเนี่ยแต่มันยึ่งด้วยที่เราจะละอันนั้นจะทิ้งอันนั้นอ่าจะมีราบจะมียศก็ช่างมันให้มันอยู่อย่างเก่ามันของเก่าให้มันเป็นอย่างเก่ามันนั่นด้วยว่าคนรู้จักอืย่างเราทำบทหลังนี้ขึ้นมา เนื่อแท้ของมันมันก็มีอีกรีปูนเนื่อแท้ของมันที่มีเครื่องป ร, รับมันปึปมาพ่นสีเอาสีอะไรใส่แล้วคนกะหลงสีนันมีสีกระช่งมันเราอย่าไป ร, รียนอิกระปูนเป็นหลัก เ, เรื่องมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเราจะรู้หรือเราจะไม่รู้หรือเราจะอะไรกระชังมันแต่เราจะมีลาบหรือเราจะมียศอะไรเธอ แย่าไปครัวมันถ้าไปกลัวมันก็ไม่ดีเหมือนกันไปกลัวมันก็ไม่ดีไปกลัวมันก็เป็นกิเยสชนิดหนึ่งเหมือนกันทำให้เราอ่อนสมรรถภาพในการภาวนาไม่ต้องบกตกีการอะไรมันที่มันเหมาะสมแล้วเป็นต้น ฉะนั้นการภาปุตปฏิบัตินี้ทันจทีไม่กลัวภาพุตเป็นเจ้าไม่กลัวอันกลัวนี้บางคนมันก็กลัวซะอย่างอื่นใช่ไหมไอ้กลัวมันหิวกลัวมันอะไรต่างๆมันเหน็ดมันเหนื่อยมันมันบากระไรทั้งน้อะไรต่างต่าอันนั้นมันเป็นกลัวภายนอกอืมกลัวถ้าหากว่าเราไม่กลัวใจของเราแล้วอย่างนั้นเราก็ไม่กลัวถึงนั้นเลย แต่ความจริงๆนั่นพระพุทธเจ้าท่นานพันไว้อย่าไปกลัวใจของเรานะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่กลัวแหละ ไ, ไม่กลัวใจกลัวใจของเรากลัวจะเอาไม่ไหวกลัวจะทนไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นเน่ยมันกลัวมันเนื่องจากจิตอืมมันเนื่องจากจิตนี้อืมมันเนื่องจากจิตของเรานี้ังนั้นอะไรก็ช่างมันเถอะเหตุมันตรงไหน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 มันมีเครื่องพอดีสมบูรนีมพอมันจะเจ็บมันจะไข้มันจะร้อมันจะตายมันจะที่นาทอะไรก็ช่างมันเถอะมันพอดีแล้วมันจะเรื่องพอดีทตรงนั้นอืมันจะเรื่องพอดีตรงนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนว่าให้เป็นโลภิทูรู้เรื่องโรคอันนี้อื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 มันไม่เหมาะสมกับความคิดของเรานาราปฏีตามตีทุกข์แต่ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อันนี้มันก็เกิดขึ้นมาแล้วอืมมันทำไมไมันเป็นทุกข์เพาปรารถนาของอย่างนั้นอืมมันไม่ไสมหวังของเราโลกนี่มันไม่ไสมหวังตามใจของเราทุกอย่างอืมอืม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 ถ้ารู้แจ้งโลกนี้ก็เป็นสัจธรรมรู้อะไรรู้สุขนี้รู้ทุกนี้รู้ที่ชอบใจนี้ไม่ชอบใจนี้รู้ร้อนนี้รู้หนาวนี้รู้ให้มันรอภทั้งหลายนี้เนี่ยคือสัจธรรมแล้วฉะนั้นเ่ยใครรู้โลกกนีีเป็นโลกอยทัวรู้แจ้งโลกอันนี้ทันั้นเนอืยสิ่งที่มันมีอยู่นี้เทนั้นแหละให้มันเป็นปกติ โลกนี้มันเป็นปกติปกติอะไรคือปกติมันจะต้องเป็นของมันอย่างนี้ดูสิใครเห็นอะไรไหม ม, มันมีอะไรปกติไหมพูดง่ายๆเช่นว่าพระพุทธเจ้ า, าสอนว่าวันอันนี้มาเ่ตัวของเรานะอันนั้นไม่ใช่เรานะอันนี้มาเ่ตัวของเรานะ่ะอันนี้มาใจ่าของของเรานะเท่านี้ก็พอแล้ว เรื่องเทวดาธรรมะพอแล้วต่อมนุษย์เราทางไหนไม่พอไม่พอทําไมพ่อไม่ชัดเพ่อไม่เห็นครับพ่อไม่เห็นความจริงถ้าเห็นความจริงตามธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็รับท่านน่ะมันยอมรับอันนี้มันไม่ยอมรับเพราะฉงนั้น่ะพระพุทธศาสนาเหล่านี้ ดวดเข้ามาสิถ้าอุปชาสอมให้เรียนกรรมฐานสารพัดอย่างอืมนะให้เห็นไม่เห็นแล้วก็สอนเรื่องจริงท่งนั้นนะมันก็เรื่องในจริงนะเจสาโลมาณขาทันตาตะโจนเท่าเนี้ยไม่ได้ยินหละถ้าท่านไปิจารณนานะ เรท่านเอไปภาวนานะไม่นี่ไม่มจริงใจอย่างนี้มันเลยเป็นแบาเป็นพิธีบวชกันใช่ไอ้ความเป็นจริงทั้งห้าประการนี้มันเป็นพักขันนะ่ะเป็นดาบพักขันนะ่ะตัดทางเข้าสู่ปณิพนแต่อเราไม่ยอมรับถ้าไ ม, ไม่ยอมรับแค่ว่ามันไม่ดูไม่ได้ยิน มันก็เป็นเหมือนแบบปลาอยู่ในน้ํามันไม่เห็นน้ําไตวิญญาณมันกินดินแต่มันไม่ริ้จากกาดินนี่มันหลงอยู่อยบานี้แหละมันุษย์มันใช้หลงอย่างอื่นแล้วมันหลงอย่อางนี้อืมเช่นร่างกายของเราในทุกส่วนมันไม่สวยนะเขาเนี่ยเขานี่ก็ไม่ยอมรับมันไม่สะอาดนะไม่ยอมรับ ไม่แน่นะไม่ยอมรับมากที่โกรธนี่น่นาฟังพูดถึงเรื่องอันนี้ยังทุกขังอนาจา้ฟังเรื่องตัวตัวแกแก่เจ็บเจ็บตานตายอมบางคนลุกไปเลยไม่ยอมรับไม่ยอมรับทำไมไม่อยอมรับเพราะไม่รู้ความจริงกันเอง ถ้ามันรู้ความจริงแล้วมันก็ยอมรับแต่มันน่าจะยอมอยู่แล้วนะอะไรทั้งนั้นยอมมันไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเกิดเกิดของทุกไม่รู้จักความหลักทุกเมื่อรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความหลักทุ ก, ม, ก, ม, ทกมันเพงเป็นอย่างนั้นเช่นคนหลายคนที่มาวัดตรงกับผงนี้ผมเอาโครงกระดูไกไว้แน่นผมาจะนั่งสังเกิดดูดูกันบางคนก็ไปดู ดูจนว่าดื่มปัดบางคนจะมองเห็นกลับหรือแล้วไม่อยากจะดูไม่อยากจะดู่กะกลัวกลัวเกลียดกลัวคนนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือคนไม่รู้จัก เราเขาเดินมาจากบ้านเขามาวัดตรงประโภคนี้มันมาด้วยอะไรนัง่งรถมามันมาด้วยอะไรลงรถมาแล้วเดินสมาในวัดนี้มันเดินมาด้วยอะไรไม่ใช่กระดูกหรือปลาไห ม, า ม, มกลัวนอนในเตียงนี่ห่มผ้าห่มเสื้อเดียวกันกับมันนกระดูกนะกลัวนอนในเตียงนี้ ที่นีมีปัญหาหลายอย่างบางทีเขาจะทำอะไรกันต่างๆปลูกบ้านเึ้นหยิดค้าสยาบากันเอากระดูกผีมีไปฝังไว้ในตึนบ้านเมบ้านมันจะสบายจิตหายหมดแต่ผมที่จะาทามันไมนเดือนจิตหายกรนอนตรงไหนไม่ใช่กระดูกถ้าไม่มีกระดูกก็เป็นใ่เดือนจินปลีง พอเขามาถึงผมผมที่จะรายงานผมว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเพราะกระดกที่เราเยอะแยะไปนึ่งทับกับนั่งทับกระดูกนอนก็นอนทับกระดูกเดนก็พากระดูกเดกนไปดี้ดไม่รู้วันมันจะเก็ดจหตยามตรงไหนมันเก็ดกิริยาใจใดตรงไหนไม่รู้ไม่มีอะไรถ้าเราเห็นทับศูนี้ก็เร่มีอะไรจะเอาตังโคตรจังอมาฝังใต้ศูนย์กี่เรามันก็ไม่มีคิดมีภัอะไรมันคนเร่งรีบไเนา ไอ้ความเห็นแบบนี้มันูกขาดจากการทํำดีดีตองขึ้นได้เะนั้ น, น, น, เ, น, น, นเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นมันเยอะอืราะฉะนั้นทาสอนพระพุทธ เ, เ, เจ้าทางสอนพวกเราทางใดอย่าให้รู้ไม่เห็นรู้อะไรเห็นอะไรเห็นที่เรานั่งอยู่นี่แหละเห็นในร่างกายของเราเนี่ยให้มันรู้ชัน มันรู้ความจริงถ้ารู้ความจริงเนี่ยมนุษย์เรานี่ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากความันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเ่านั้นแหละฉะนั้นแม้รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยก็สบายต่ไม่สนุกนะแต่มันสงบมันสงบแต่ประมาไนสุกมันไม่สนุกมันสนนรบ คนหาความสมบูรณนี้มันหาได้ง่ายหาความสงบมันหายากหาความสุขนี้มันก็หาง่ายง่าแต่หาความสงบมันหายากแต่มันซ้อนก็อยู่นั่นแหละแต่มันซุดไม่ได้ความสุขหนึ่งความสงบหนึ่งมันต่างกันไกลกันเนะข้าวกระดินนีแต่เมื่อใครมารู้จักแล้วสุขกับสงบนี้ก็เลยเป็นอันเดียวกันนี่มันเป็นแค่นี้ใช่ นั่งไส้คิดกันชนีมนุษย์ทั้งหลายจึงไม่กิจการนาหน้าเห็นความสุขแล้วตอนนี้เรามันจสงบแล้วอย่างนี ure, ้แตความจริงความสุขความทุกข์ความสงบนี่มันคนละอย่างนะเนี่ยทุกข์อยู่แต่เามันสงบทุกข์อยู่แต่เรามันสงบอืนั่นเป็นของมันอยู่อย่างนี้เช่นกันกระราสร้างบ้านหลังหนึ่ง หรตั้นรูปพระจางรงขึ้นทําเป็นเบา้าทําให้สวยสดงดงามแต่เมื่อเราเสียทองแล้วนะเราทุกเบ้ามันทิ้งจะไดายไม่เสียได้ไม่เลยเป็นองค์พระแล้วก็ทิ้งเบ้ามันทิ้งแต่ตอนนั้นเราเสียทองนี่จะต้องระมัดระวังเบ้ามันให้ดีให้สวยให้งามสมมติหนี่ก็คือกันกันนั่นมีหนี้ก็เป็นเงินตั้น สมมุติค er so pues. nope. ือเราอาศัยอยู่น sí ี่มันก็เป็นเรื่องสมมุติก็พิ้กันไปได้แต่เพราะมันเป็นสมมติจะให้มันเป็นมีมุดนันก็เป็นไปไม่ได้อืจะต้องให้มันเป็นสมมุติสมมุติว่าเป็นพระสมมุติว่าเป็นนิมสมมติว่าเป็นนั้นเป็นนี่ชื่อนั้นเป็นเรื่องสมมติมันมีมุดมันก็ปนกันอยู่ในนั้นก็เหมือนกันตาม่วงใบหนึ่งเลือกมันก็มีเมื่อมันก็มีไนมันก็มีเงิดมันก็มี พวกเราทั้งหลาจะไม่มีอะไรเลยแต่พระพุทธเ จ, จ้าสัตตานตการประพฤตปฏิบัตินเนี่ยปานที่จ เ, เจรณาปเจวิทั้งหลายเนี่ยพี่เรนาเล่เ ล, าเ ล, า, เ ล, า, เลาเล่าอยู่อย่างนั้นเน่ยคือให้รู้จักตามความจริงมันใช่ไถ้าไม่รู้จักตามความจริงมันก็จีวนมันก็ลาบากบินทบาตมันก็ลาบากอืม เสนาสนะมันต้องลำบากยาบำบัดโลกมันก้องลบากทังนั้นเนี่ยถ้าเราม่รู้ตามความจริงมันเพียถ้าเราไมู่้ตามความจริงมันเนี่ยไ ม, ม, ม, ม่ใช่นคนไม่มีอะไรไม่ใ่คนมีอะไรมากมายแต่ยึดมันหรือถือมันมันอะไรไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงมาถูกเป็นพระสมมติและธรมาเรียนสมมติ ให้ดีล้ก็มาปฏิบัติเป็นพระสมมุติอย่างไรเป็นเนรสมมติอย่างในเน ม, ม, มื่อวานอย่างไรอย่างในบ้างวันนี้เรามาโกนผมผมผ้าตายแตว่าพัดสมมติว่าเป็นพระสมมุติว่าเป็นเนรพูดตามส่วนมันแล้วแต่ยังไงเป็นพระนั่นเองแต่ยังไงเป็นเนรนั่นเองเนี่ยทําไมถึงว่าพระมันนี่พระโดยสมมติเนรโดยสมมุติ จะเปลี่ยนไปเห็นง่ายๆในที่นี่ะไม่มีทราย ก, นะไยายยาก็ไม่มีเกลือนะอืมนราจะอธิบายด้วยสิ่งหนึ่งที่อยากจะมีเกลือไม่มีเกลือเรา็ะทำเอาทรายมาวางตรงหน้านี้สมมติว่าเป็นเกลือแต่ความจริงมันเป็นทรายแต่เอาทรายมาสมมติเป็นเกลือมันจะเป็นเกลือให้นันเองยังไม่เป็นพระยังไม่เป็นเมรุ เพราะอะไรพระเงนมันบวชไม่ได้มันต้องมาปฏิบัติก็ที่นี้พระไม่มีเงินไม่มีจึงเอามาบวชเป็นพระเป็นเงิตนตรงนั้นที่นี่เตือนในมีจึงทำเอาทรายวางไว้เฉพาะหน้านี้สมมติว่าทรายสมยสมติว่าเตือนเพราะทันั้นดังนั้นข้อประพฤติปฏิบัตินี้มันจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่สุดพวกเราทาั้งหลายมันขอเทื่ว่าเราปฏิบัติเถอะอย่าไปพึ่งถามมันอะไรเลย การปฏิบัติมันถูกทางมันเถอะพยายามศึกษามันถูกตทางถูกเรื่องมันอืมแต่ว่ามันก็ไมเ่เคยถูกเรื่องง่ายเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ชอบใจมนุษย์ แ, แล้วอย่างใีงยีนีปางเหรอไ่มวิปปิหลังน้นอยอืขันก็ได้จะเขาจะเอามาถวาย บางทีจะฉันใจในบาตรจะรวมแบบทั้งขาวทั้งหวานทั้งวุ่นวายไม่ชอบใจแล้วทําไมไราถึงทำอุตสาห์ทำอุตสาห์ทำต้องพยายามทำนี่ที่เราไม่มีสัทธานะตัววันเนี่ยพูดง่ายๆเราวาสยามทาตามอุตสาห์ทำตั้งทำอด ท, ท, ทำเรียกว่าการปฏิบัติถ้าพูดตารใจมันไม่สบายเลว อ ย, อย่างนี้ต่อไปเราทาำนี่จะต้ อ, อมอดทนอดกัน้นเราทำกันอย่างนี้มันจึงสบายบักไม่สบายบักบางทีสึกบางทีไม่สึก อ, อย่างนี้การปฏิบัติเป็นพระสรรมถานนี้มันปึงยุ่งยากลำบากามากมลเกินทายเรือทวนน้ำ ถก็พูกไม่ง่ายเลยว่าไม่ทําตามใจของเราในทุกนี้ใครทําตามใจของเรานั่นเป็นต้นไม่เห็นธรรมะในเห็นธรรมะไม่ได้ปฏิบัติอผู้ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็เหมือ น, นกับพายเดืดพ ว, วนน้ำไม่ชอบนะแต่ก็ต้องทํา ตว่าเรามองเห็นมันอยู่ถ้าเราทําได้อย่างนี้ต้นปานี้มันรกต้นไม้มันใหญ่แต่ว่าทําไร่ทํานานี่มันงามดูต่อว่าเรามองเห็นก็จะอาเจียนขี้เกียจทำเครื่อเหน็ดเหนื่อยอรทั้งหลายเหล่นี้ต่ออาจารยเป็นก็ต้องทําเพราะว่าที่นี่มันงามที่นี่มันเกิดทน เพราะนันพวกนักบวชนักคตรเราทั้งหลายจริงรู้สึกกับเขามาบวชแล้วบางคนก็มาถึงแล้วก่อนมามีศรัทธาเมื่อมีศรัทธามาทำในตามพรบใจเราแล้ ว, ลวสะทอนอย่างนี้เพราะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงเป็นของสำคัญมากพวกเราทั้งหลายนะั้นเกิประโยชน์ทั้งสนและทั้งอืน เพราะต่มาทำสิ่งที่ไม่ตามใจเราตรงนีน้แต่คนเราไม่ค่อยเห็นไม่ไารคิดเจรนาหรือพูดง่ายว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเรานะ่ะอันนี้ไม่ใช่ของเรานะ่ะพูดเท่นี้คนบางคนก็ไม่ยอมรับไม่เห็นความจริงทำไมไม่เห็นความจริงเพราะไม่คิดเจรนาใมันล้กซึ้งึ้ไป ว่าเราเคยเห็นไหยว่าคนจะเป็นเศรษฐีก็ตุนทีอะไรก็ช่างมันเถอะมันนีอะไรไหยมันเป็นตัวของเราจริงๆริงไหมมันเป็นตัวของเราจริงจริงไหมอ้สิ่งที่ในตัวเรามันที่เราสร้างสมัยนันเป็นของเราจริงๆริงไหมเราไม่ซ้าลงไปจี่นาให้มันแน่นอนสบายไห ถ้าเราซ้ำก็จะเห็นความแน่นอนมันก็จึ้มอยู่แล้วจึ้มมันจึ้มอย่างนั้นไมเคยมีอะไรมันก็เป็นแปนธรรมาติอันหนึ่งเลยตรวจด้วยมันก็รับใสเท่านั้นไม่มีอะไรเลยหมดไอ้คนที่วานี่ตัวเราด้วยของของเราคนนั้นก็ไม่ได้าคนคิดขึ้นมามันได้มาแล้วก็ควรคิดจะคิดอย่างนั้นนมันมีได้สักคนหนึ่งเลยอันนี้ไม่ใช่ว่ามันปกติแต่มันมันชัดเจนเยอะเกิน ไม่ใช่ะามันตกเกิดที่ไหนมันทับเกนดในคนรู้ทุกคนแต่พวกเราท้งไหนไม่ขยอมรับเนี่ยดูตรงนี้หรือว่าเราเกิดมาแล้วแก่เก็บตายทุกคนอย่างนี้อันนี้คนก็ไม่ไปรับที่เจรานาเพราะไปเตือนไปอย่างอืน่นใช่ใจมันจึงเศร้าหมองไม่สว่าง พอถึงลูกตายหัวตายเมียตายร้องให้กันร้านเลยกกันไมเนี่ยถ้าเรามาคิดเช่นนี้เรามนุษย์เจ้ามีไหนมันโง่ด้วยเกินนาไม่ใช่ว่าตายคนเดียวสองคนมันตายเลยเราเกิดมาเห็นคนตายทีศกมาแล้วนี่ยแล้วเห็นคนเกิดมาเท่าไหร่ทาไมมันถึงหลงทาไมมันถึงไม่รู้จกักก็เห็นทุกวันทุก ว, วันทุกปีทุกเดือน ทุกภาษาเนี่ยในภาษาหนึ่งเราก็เปลี่ยนข้อวัด ส, สร้างเคื่อนข้อวัดอะไรโดยมากก็สพงเฉาะพระที่เข้ามาใหม่มาทางรกเนี่ยทำงานหยาบหยาทำงานหยาบหยาหลายอย่าง เครื่อให้หนะมันเป็นปัจจัยเกี่ยวกับอดทนแต่ความเป็นจริงนั่นทํางานในทางที่ชอบนั้นมันก็เป็นประโยชน์อยู่แล้วล่ะบางท่านบางองค์นั่นมันก็ดุริแรงคือหมายความว่าเรามาบวชแล้วไม่ต้องทํางานอะไรน ะ, ะก็ต้องสวดมนต์ก็ต้องภาวนาอย่างเดียวบางทีมีการเห็นอย่างนี้ก็ได้ แต่ความเป็นจริงนั่นงานทุกประเภทคือมนันเป็นประโยชน์ที่ถูกต้องในทางพุทธศาสนาอยู่แล้วนะเมื่อทำกบไปแล้วมันเกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์นชนพื่อการภาวนาด้วยแต่ว่าผู้ใหม่ยังยังมองไม่เห็นว่าควรจะนั่งสมาธิควรจะอะไรอย่างเดียว อย่างนี้เป็นต้นมันเคยมีมาหรอกเช่นง่าง่ายๆนะเราจะามันทํางานมันลำบากนอนมันสบายดีเอาให้นอนไปทีมันจะสบายนะ น, นอนไปเรื่อยมันก็ไม่สบายเท่านั้นแหละครับนั่งก็สบายดีนะี่มันสบายกี่นาทีนั่แล้ว ก, ก็อยากไปอย่างอืน่นอี ถ้าเป็นอย่างนี้ครับความจริงมันเป็นอย่างนี้อันนี้มันต้องรู้ทีหลังจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงถึงแม้ว่าเราจะเบื่ไปมันก็เป็นการภาวนาธรรมทานถึงแม้ว่าเราจะฉันจังหันมันก็ยังเป็นธรรมฐานภาวนาเราอยู่แม้เราจะวาดลานวัดอย่างนี้มันก็ยังเป็นการภาวนาซึ่งผู้มีปัญญานะแต่คนใหม่ๆนี่ไม่ค่อยจะเห็นหรอกเห็นว่ามันยุ่งมันยากให้มันกระทบอันนันมันยังยุ่งสิ เรามันจะมีกําลังนะให้มันเหน็ดให้มันเนื่ยให้มันยุ่งมันยุ่งในทางที่ชอบไปเห็นมันเหนื่อเป็นอะไรแล้วค่ะมันจะฉลาดขึ้นมาละมันจะอดทนมันจะมีความอดทนถ้าใช่ว่ทนต่อการงานอย่างอื่นแม้มันคิดผิดไปมันก็อดทนต่ออารมณ์ทางหลายตานั้นแหะถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้มันก็ถูกไปทุกอย่างดังนั้นก็เออทุกข์ขั้นจ้าเนี่ย รางัาษาเนี่ยมันคลึงัาษาข้อัญษามาแล้วก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอย่างอืน่นก็เปลี่ยนอย่างเปลี่ยนไป้นมว่อท่านอาจารย์เลี่ยนเยนสนอคุณมาเนี่ยทำไมท่านเสนอคุณมาก็เพราะว่าได้อบรมกันมาพอควรนล้ดังนั้นผมจึงถามว่ารู้จักเรื่องเดิจนจงกรมแบบนี้ยังรู้จักเรื่องรู้จักวิธีการนั่งแบหรือยัง รู้จากวิถีแล้วสวดมนต์ทมวัดก็รู้พอสมควรแล้วรู้กั น, น้อย่างถ้ารู้กันแล้วนั่งสมาธิก็เป็นเสร็นไหมเป็นลักษณะนั่งอย่างไงกำหนดอย่างไรเป็นแล้ ว, ลวถ้าเสร็จแรกทีนี้ก็อยากจะให้ทําเพลี่ยหนให้นัง่งสมาธิเดิเ่งจนตรงให้มันถนัดให้มันถนัดโดยวิธีอะไรโดยวิธียุกวัดส่วนรวม ก็ให้สวดมนต์รมวัดในส ต, ติของใครของใครก ร, ราบไวหว้มันไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาหรือออกมาจากน้ำจากชาแล้วนะหาน้ำแบบเข้าเดนินจกล้มออกมาใ น, นออกมาในลานแัตเลยนะพุทธาว่าส์ห่มผ้าเตยงบาลแล้วก็เดินอย่ามาคุยกันนะม่ใช่าะพักมคุยกัน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 แต่ผู้ที่เก่าๆเน่ยผมอยู่เขาาอยู่ในป่าเนี่มีแค่เนเก่าๆไว้กันอยู่ด้วยกันไม่ต้องทวัดนะรมันสบายมากเลยเพินมตอนไม่ใช่ไปคุยกันนะไม่ใช่คุยกันหันจังหันแล้วก็ออกแล้วก็เอาทุนจิตพอเวลามันดีเด บ, บาทขึ้นแล้วตาจีวรถึงเดินจนรมอย่างนั้นก็ท้วงหยุดก็ขึ้นจิตาัก่อน นั่งก็สักเลยหนึ่งสองสามไม่ละก็ะชากตะมงตรงทำสิตวัดของเราแล้ ว, ลวจะมีควาตากตะกวาจะมีตักน้ำระตักเสร็จแล้วก็เข้าอาบน้ำอาบผ้ากันแล้วก็เลิกกันถามีการชันอยู่ชั้นยาก็เป็นเวลานัดหมายกันมารวมกั น, อ, นอันนี้เลยได้เวลาที่จะทาทำงานส่วนตัวมาก จะทำงานส่วนตัวมากนั่นนะอย่าไปโม่งไปทางอื่นนในห้โ่งว่าการอิปภาวนาอย่าไปโม่งว่าคุยกันมากไม่นอนมากพักผ่อนยังไงไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องกับการเปลี่ยนข้อวัดาชาเราไม่เปลี่ยนซะเลยนะไม่เปลี่ยนซะเลยนะออืมันก็ไม่ใช่จะดีไม่ใช่จะดีนะจิตใจของเรานั้น มันก็เคยด้จักไม่เคยฉลาดการทําวัด ส, ส่วนตัวมันเป็นอย่างนี้ได้ประโยชน์อย่างนี้การเลือกจากทำวัดอย่างนั้นมาทำจิตส่วนตัวมันมีประโยชน์อย่างนี้มันเป็นภาษาเมอหน้ามเมอละคิด ท, ทางนี้มันเป็นอย่างนี้คิดขึ้นมาอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะได้เขา้าใจควรกลับไปกลับมาอย่างนี้เราจะเกิดประโยชน์ส่วนตัวของเราแใจว่า ให้ทำให้เงียบสงบให้ตั้งใจปฏิบัติเพราะว่ามันคล่อนพันธาแล้วเรียนจะจะเป็นธรรมวัตรส่วนรวมก็จะเป็นบรรพะท่านหลักสารุ จะแบบจิตส่วนดวงมันน้อยที่สุดจิตส่วนตัวให้มากขึ้นชื่อว่าเคยทํามาแล้วมันมีประโยชน์เป็นบางท่านอืมแล้วต่ถูกใจกับคนที่ขี้เกียดเนี่ยมันใจใช้อย่างนั้นใอ่ไหมมันถูกใจก็บางคลที่ขี้เกียดไนอนสบายหรือยู่สบายอะไรสบายไม่ได้จะเอาเรื่องอื่นขึ้นมาฉะนั้นว่ามันจะดีตัวนี้ก็ไม่ดีนะ เสียหายมากเปมันเป็นเรื่องเสียหายมากอืม e ันเป็นแค่อย่างนั Tot ้นแต่ว่าเราจะยาให้มนเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจกันอืเราปฏิบัติขึ้นพรรษาข้อนพรรษามาแน่ต้องพยายามมันจริงจริงจริงจริงขอวัดอันใดที่เรายังไม่ดีมันบกขร่องยกขึ้นอืยกขึ้นใมันเพิ่มขึ้นใมันดีขึ้นอืม เช่นว่ายกตัวอย่างเช่นว่ากลางวันเราไม่นอนเราจะนอนกลาคืนอย่างนี้เป็นต้นหาหูือเราจะนอนกี่ชั่วโมงมีแร้วใจทจขงเราเราจะยืดใจเราจะต้องเลือกเอาขอวัดอะไรตะกวนไปได้ก็เอา ยาวอะไรก็เอาอืย่างแขนเริจแล้วกลับไปกติถ้าพอใจจะเดินจุดลงเไปถึงเที่ยงทั้งเดินจกกนดลงทั้งนั่งสมาธิเทียเ่ยงแล้วก็เลิกหลอกใจไปก็พักก่อนเนี่ยเนก็เอากั น, นก อ, อนถึงเวลาจะทําเพียงต่อไปแม้ไม่เรื่องอะไรในใจอะไรแตมันพูดมากหรือมันอะไรมากทั้งไหนนะนี่ก็หยุดมัน มีเพื่อทำให้มันน้อยเขาน้อยเข า, น, เขานี่เรียวกว่าทำข้อวัดใหมนันดีสึ้นไม่ต้องไปปฏิบัติอย่างอื่นแล้บอืาได้ปฏิบัติกันในมั น, นมันดูเรื่องทังนี้ตามภาษาคำที่เราพูดกันนั่นแหละไรเลยทำไปเลยแปลว่าสร้างให้มันเกิดประโยชน์ผมอยากจะให้รู้จัก ประโยชน์ในการกระทําในการประพฤติฏิบัตินี้ถ้าเรื่องจิตใจของเราเนะี่ยเมื่อจะทําอะไรก็ทํากันใช่ไหมเมื่อจะทําวัดกันอย่างนี้ตั้งขณะก็ทาวัดอเมื่อมาประชุมกันมันพร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมกันเลิก อ, อยาก่าไปมีมายาสาไถวันนั้นวันนี้อะไรเนี่ยเมื่อจะนั่งประชุมกันฟังคำก็ฟังกันเมื่อจะทําวัดก็ทํากัน อย่าดีกย่าเรื่องยาอะไรอืทราบว่ า, าวมันไม่สดายขอโอกาสกับเพื่อนใช่ไกับครูบาอ า, าจารย์ใช่ไผมไม่ค่อยสบายผมขอพักให้มันตรงไปตรงมาจะเดยประกาศพระองค์นั่นพักก่อนออืืการสมาธิการนี้มันดีแต่คนหนึ่งนั่งอคนหนึ่งก่อนมาคนหนึ่งสังธรรมคนหนึ่งก่อนนี้ อันนี้มันเปเรื่องของปฏิบัติแล้วทําเล่นกันมันจะแยกมันจะแตกเพราข้อวัดปฏิบัติมันเป็นอย่างเนี้ไม่ใช่อื่นใดแต่วัดเราดีมันก็จะมีเลยไม่ใช่วัดอื่นที่อืน่นเนาะถ้าเราทํากันไปช น, นิดก็ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นธรรมะ ม, มันก็ไม่ได้ปฏิบัติธรร ม, มะเท่านั้นแหละปฏิบัติผดผลเกิดมามันก็ผิดแค่นั้น ไ้ที่เราไม่ไดถูกสมมติว่าํานั้นถูกสมมุติให้ทำนี้อย่างเช่นไรพระปาตาิโมกอย่างนี้เป็นต้นห้ามเคลื่อนจากที่ท่านห้ามท่าน อ, ออกจากส ต, ตินั้นมีข้อวัดอย่างนั้นอืมพระที่มีอุปกราระแก่สงอย่างนี้เป็นต้นอนอกจากจะเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปมองอื่นทีลรา ตั้งใจที่ทำอะไรสิมันตั้งใจถ้าหากเราทํามันได้อย่างนี่ละก่อนอย่าไปมองคนอื่นครับไอ้คนนั่นไหม่มากคนนี้ไหม่มากบางทีทําวัดเรียนจะเสร็จได้จชิงมาอบังทีทำจนจะหดได้เชิงมาไ ม, ไม่ไม่เป็เรื่องอะไรล่ะคนนี้ท่านทําวัดท่านสวดมนต์ท่านเพ่งเทศออกไปหานั่งหาเล่นหาตามนี่ยนะมันจะด้เรื่องเดียครับในเรื่อความเนะี่ย อันนี้เพราะว่ า, าใหญ่มันมีในวัดประคนนอกจากไปธุระอุตเชระปัตตว ะ, ะนนเรื่องอันนั้นให้มันมีเลยเหี้าหายเสื่อมตามพอมองเห็นแล้วก็เสี่อมกันเลยหมดคนนั้นทําอย่างนั้นคนนั้นก็อยากทำอย่างนั้นคนนั้นก็อยากเล่าจ น, น, นไปหมดอืจนไปหมดมบางภาษาคนทิ้ไงไว้ข้อนภาษาเราไม่มีใครอยากจะมาทํา่ะ อะไรก็ไม่อยากใครทำแต่ก็เคยเป็นนะมไม่ต้องทกรัด้านอย่างเนี้จะยิงไปคุยกันเช่ไหมจยิงจะหาเล่นอย่างนี้มีโอกาสหี่อย่างนี้ต้มีของตัวมันจะเป็นอย่างนั้นนะแกก็มีตัวแล้วอืมมีเคยพักก่อนมาทุกปีนั่นไงไอคนที่ไม่มีปัญญาคนผีดโง่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นะ ไม่เช่นอย่างหนึ่งก็อเอาอย่างหนึ่งไม่เอาอย่างหนึ่งก็อเอาดีดยังอยู่จนได้มีอะคือคนทำามมีเหี้อนกันอย่างนี้ทําไมไมีเหี้ยงกันไม่รู้มันไม่รู้จักไม่รู้เรื่องแต่เราพูดอย่างนี้มันจะนำความเสื่อมมาให้เราดูเพื่อนหรือไม่เรก็ทําอย่างนี้มันจะเกิดประโยชน์แต่เราดูเพื่อนจะหาที่นี้เกิดกันยุ่เปล่าไม่ค่อยทำห น, นึ่งทำไมเชื่อเจ้าจิตว่วาของเราเนกิเลสเนี่ย ลบได้ตัดีเลี้ยงได้ตัวดีอะไรก็ดีทั้งนั้นแหละนี่เราไปกันในรูปวันนั้ น, นมันเสื่อมเพราะอย่างนี้ไม่ไปอยู่ไกะมันเสื่อมเพราะอย่างนี้ข้อวัดนี่มันนี่เรคือศีลแต่ข้อวัดข้อวัดนี่คือศีลต้นข้าต้นมันดีอะไรมันดีระวงมันจะดีกันนั้นเลยมันจะไปอะไรที่ไหน อันนี้ขอให้ท่านพ้นคิดให้มันดีๆสักหน่อยให้พูนานและวเดี๋ให้โอกาสเด้๋ยวจะมีไปหาออกพรรษาแล้ววันหลังก็จะประชุมกันในรู้จักรู้เรื่องกันทุกปีเราเคยทามาทุกปีพักผ่อนให้มันสบายในทำรับหน้าที่อย่างเต็นที่ลองๆดูที่น่าทางว่าทํางานแล้วก็ปิดงานให้ปฏิบตัติเต็มที่มันจะปฏิบัตินหะให้คนเหลือดูการตักน้ํา ว้าปวดานวัดทีนี้นมันลบที่เราทำได้ไงตักน้ำมันเราทำได้แต่กรเลิกถ้าโอกาสเป็นโอกาสให้หาโอกา ส, กาสที่จะต้องทำถ้าปรปเดินจงกรมทำเพียนในกะปิของเรามันร้อนก็ออกมาทางนอกอืออกมาทางนอกตามชายป่านตามลานวัดบิดๆสัก ห, หน่อนกันบดงที่เราก็เดินจงกรมทําไปอืม การเดินจนกลมเย็นเย็นมาดิแนั่นมาแล้วตอนแล้วก็คนมันมาหลายนี่อเราจะห่มผ้าก็ดีอยู่ในกติเราไม่ดูอะไถ้ากลางคืนนี้ตรงนี้เป็นอะไรถ้ า, าว่าจนเย็นเย็นมาคนมาแล้วก็ห่มหมผ้าแค่ก็ดีเดินแต่ว่าถ้าเรานุ่งห่มเรียบร้อยแล้วจะไม่มีอะไรเนะก็ให้ความนมนั้นไม่ความนะ อน้นในความต้องคือมาอยากจะคิยมาทำอยู่นี่ก็ได้บนโบสถ์นี่ก็ได้แต่ยังมาคุยกันนะมาคุยกันบ่งเบ่งบ่งเบ่งไม่ได้ตรงนี้คุณมาในโบสถ์นี่หยูดกันเด้อข่าวหยุดก็จะหยุดหมดแหละพอแล้วแค่นั้นการทำอะไรอะไรก็หยุดเข้าปฏิบัติกัน ออกจากคารวาะมาบวชแล้วนยังไม่ดีมันจะอาศัยบุญว่าศสนาบารมีของเก่าในร่างสมาไปบวชสมาแล้วก็อยู่นะก็ค่อยคิดเจรนาไปก็เห็นอยู่ในใจแต่ว่ามันไม่ชัดถ้าวว่ามสอสมาถูกการอบรมอะไรต่ออะไรข้อมันจบเป็นเหตุให้ยีพาให้ยีจานไปตามเรื่องของเราบางองค์ก็เห็นง่ายง่ายบางองค์ก็เห็นไม่ยาก บางองค์ก็ไม่เห็นเลยอืไม่เห็นเลยอย่างแต่บวชสมาทุกท่านเนี่ยทุกองคเน่ะบางคนก็สอนยากบางองค์มันก็สอนลาบากสอนง่ายเนี่ยทําไมไมันเป็นอย่างนั้นอืทําไมไมันเป็นอย่างงั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไมื่อว่าจังจะชัางนี่เลยในช่างพุทธการก็เป็นอยู่อย่างนี้ นี่ฉะนั้นพวรานั่นจริงแนะนำคนสอนกันจำพี่จำใไรกันจําๆสักสักอยู่ไม่ได้หยุดที่ไหนก็ตามทีเดียต้องเป็นอย่างนี้ข้อว่าอะไรมันมีอะไรปนเปกันหลายอย่างลักษณะจิตใจของพวกเรานั่นนะโดยปกติแล้วเนะอยมันอยากจะเอสิจฉาคนอื่นแมด้วยไปเอาดี ต, ตัวคนเดียวอย่างนี้ อันนี้มันก็มีอยู่ถ้าคนมีธรรมะแล้วที่เจรนาแล้วทุกเมื่อมันจะเห็นแก่ตัวอยู่เป็นต้นนะเออมันก็ับไม่ไปโดนไปตามอารมณ์อันั้นเพราะว่าอันนั้นมันเป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นจิตอย่างนี้อารมณ์นั้นในดวงจิตของท่านอย่างมืดบอดเลยทีเดียวทุกเมื่อบอกชอบอย่างนั้นอยู่จะไปเห็นอันนั้นมันจิตอยู่เนี่ยก็เป็นอย่างนี้ แล้วก็มีพากวิจ า, ารณ์กันไปเรื่ยว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยแหละแล้วก็เรี้ยงความเพียรมาเป็เ น, นไปชินเป็นนาเรื่ยไปนี่ยยังงั้นมันจึงเป็นปัญหานอื <c oughs> มันเป็นปัญหาอื <c oughs> ทําไมมันสอนยากทำไมมันลําบาก <c oughs> อะไรทั้งหลายแล้วนี่เนี่ยมันเพราะมันเป็นเพรจิตของบุคคลอจิต <c oughs> ของบุคคล <c oughs> อ, อท่านสอนเอา ที่เราเทศในการฟังเนี่ยมันเรื่องจริงๆทั้งนั้นเนี่แต่ว่านั่งฟังก็ฟังอยู่นะลูกออกจากที่นั่งเนี่ยไม่เอาไปด้วยในทีน่เดิมไม่ต้องพูดอื่นไกลเนาะข้อประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันมันเป็นของแน่นอนมาตั้งแต่อุปชาท่านบอกแล้วท่านบอกว่าเจตาโลมาณหาทันตาตะโจตะโจทันตาณหาโลมาเจตา เอราก็ว่าไปตามท่านอย่างนั้นแหละ ว, ว่าไปเฉยๆไม่ได้รู้เรื่องอะไรยังไม่มีอะไรสักทีมีแต่คาพูดเท่านั้ น, เ, นเรื่องจิตใจไม่ได้คิดคีนเมื่อวัวสมาแล้วก็ไปเอาอย่างอืน่นไปเอาอารมณ์ที่เราเป็นคารวะทีนี้พูดตอนพูดเรื่องคารวะการกระทาก็ทําอย่างคารวะอะไรจะอย่างคารวะมดัดตรงๆไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไร เพราะอะไรทําให้ของดีๆไปจนเราทั้งหลายไม่รู้เรื่องอืก็เลยตายเป็นประเพณีไปตายเป็นประเพณีไปหนูไม่มบวชสมาแล้วก็ไม่อมทอกรรมฐานนี่เดี๋ยวยังไม่ไมมมไรู้จักว่าทํากรรมฐานทํากันยังไงอผมเคยพบอยู่มานานๆไม่รู้จักทํากรรมฐานที่กรรมฐานตุ๊บชาบอกให้ใทำเมื่อแรกบวชไม่รู้เรื่องมาเป็นกรรมฐานเลย ให้เราเห็นทัด ก, ก็ไปดีในเจสาโลมานะสาตันตาตาโจที่ท่านบอกนั่นเองที่ท่านสอนให้น่น ะ, นะสอนความจริงให้ทุกคนเี่ยแต่ว่าเราไม่ที่จะได้มาแต่อนมีน้อยไม่มีเลยแต่จะมีน้อยบางองค์ก็มีแต่ฟังอธิบายฟังอันนั้นเป็นเครื่องจับจิตใจอยู่เสมอ เราคือจะมาอยดูด้วยด้วยทำกรรมฐ า, า น, มนก็ง่ายขึ้นอือทำกรรมฐ า, า น, มนก็ง่ายขึ้นอันนี้มันต้นเนี่ยมูลกรรมฐานเนี่ยเป็นมันเป็นมูลมันเป็นรากมันเป็นปากมันเป็นทางแห่งการปฏิบัติอืเนี่ยถ้าหากว่าเราเห็นกรรมฐ า, านทั้งห้าใ น, ในตัวของเราเนี่ยอืมเห็นว่ามันไม่เป็นแก่นเป็นสารไม่เป็นไม่ใช่ของสี่งดงาม อืเป็นของสีสกโรอะไรทั้งหลายเรานี้แหละมันก็เป็นอย่างนั้นบอกไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่าไม่ได้จนกระทั่งเห็นไปว่าอรูปนามเนี่ยรูปดุริาสัญญาสังขารวิญาณเนี่ยออืมันก็ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอะไรอย่างนี้แต่เราไม่เอาไม่เอาเออเาเข้าในที่ประชุม คือไม่เอาเข้าในที่สงบระงับแด็กที่รณารวยปัญญาของเราพูดแล้วขอแล้วไปเท่นั้ น, เ, นเรียกว่าเราไม่ทำอืมแต่วามจริงๆมันก็เรื่องนั่นแหละเรื่องที่สําคัญมาก ท, ที่สุดก็คือเรื่องปฏิวัตินอืแต่เราบวชธรรมมาแล้วมันก็ไม่เห็นแบบนี้แม่นขนาดว่ า, าท่านให้โดนชุงๆสมอย่างนี้